นั่งามธรรมดาสบายสบายไม่ต้องประนมมือนะ ไ, ไม่เสียคว่งเคารพนั่งสำคัญที่รับสาจิตในขณะที่ฟังกรุณาทำความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งไปสถานที่อื่นแสงธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสความรู้ของเราที่ที่อยู่กับตัวแล้วชัดถ้อยชัดคำ และการฟังธรรมะที่จะให้เกิดประโยชน์ในขณะฟังก็ไม่จำเป็นต้องจดจำข้ออัดข้อธรรมที่ท่านแสดงทำความรู้สึกไว้กับตัวเท่านั้นใจจะได้รับความสงบและเพลินกับอัดธรรมในขณะที่ทำเข้าไปสัมผัสใจเป็นความสุขเย็นใจในขณะนั้นเรียกว่าได้ผลในการฟังธรรม ความจดจำที่จะนำไปใช้ในการต่อไปนั้นส่วนมากก็จะติดข้างอยู่ภายในใจของเราหลังจากการฟังแล้วแต่ถ้าจะตั้งใจจดจำที่จริงๆผลประโยชน์ที่จะพึนได้รับในขณะที่ฟังคือความสงบเย็ยนใจก็จะไม่ค่อยปรากฏเพราะฉะนั้นควรจะรับสนใจต่อผลประโยชน์ในในส่วนนี้ก่อน คำจาให้ตามมาที่หลังคําว่าศาสนาท่านทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วท่านแปลว่าศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นถ้าเป็นด้านวัตถุก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งมนุษย์เราให้สวยงาม แต่นี้เป็นด้านนำมาทำจึงเป็นเครื่องประดับตกแต่งกายวาจาใจของเราให้มีความสวยงามด้วยความคิดความตรุงต่างๆตลอดถึงการลบายออกทางวาจากระทำทางกายเป็นความสวยงามและเหมาะสมไปด้วยเหตุด้วยผลคนเรา ถ้ามีความงามทั้งภายนอกและภายในด้วยแล้วก็เป็นความงามอันลึกซึ้งเป็นที่ดูดดึงจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องถ้า ง, งามแต่รูปร่างเฉยๆขาดความงามภายในเป็นเครื่องประดับคือประดับกายประดับวาจาประดับความประพฤติและจิตใจไม่แล้วก็เทียบเหมือนกับดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ปรากฏ กลิ่นหอมคือไม่มีกลิ่นดอกไม้ไม่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมคนก็ชอบดอกไม้ที่สวยงามแต่ไม่ค่อมีกลิ่นก็ไม่ค่อยชอบกันยิ่งดอกไม้มีความสวยงามด้วยมีกลิ่นหอมด้วยคนก็ชอบยิ่งไม่สวยงามยิ่งกลิ่นก็เหม็นด้วยแล้วไม่มีใครมองเลยน่ะ น่าจะดอกไม้สวยงามก็ตามแต่กลิ่นไม่ดีคนก็ไม่ชอบคำว่าดอกไม้ก็หมายถึงตัวของเราเองมีรูปร่าง ส, สวยงดงามแต่ความประพฤติอิญญามารยาทไม่ดียิ่งประพฤติตัวไม่ดีเขาด้วยแล้วมันก็ขาดความนิยมมีน้ำช่ำก็ทำให้คนอื่นเกลียด ไม่อยากควบค้าสมาคมไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเพราะความไม่ดีมันแสงอยู่ภายในนั้นทายรูปร่างก็สวยงามด้วยความประพฤติมารยาทหน้าที่ ก, การงานก็ทำไปด้วยเหตุด้วยผลคือมีธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบำรุงปกครองรักษาไปด้วยก็เป็นผู้มีความสง่าอาศีไปที่ไหน คคกก็อยาาสมามม่มีใครรังเกียจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ที่มีที่สวยงามและมีกลิ่นหอมด้วยทีนี้รูปภางกลางตัวของเราไม่มีใครสามารถจะตกแต่งได้นอกจากกรรมที่ตกแต่งให้เป็นขึ้นมาดังเร า, เราท่านๆทั้งหลายนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่การตกแต่งด้วยทางศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราพอทําได้ ให้เป็นเครื่องส่งเสริมตัวของเราให้มีความสวยงามอย่างลึกซึ้งขึ้นมาได้คนมีธรรมย่อม ง, งามกลิ่นก็หอมทวนลมด้วยไม่ติดเป็นไปตามลมเหมือนกลิ่นทั้งหลายของโลกกลิ่นของศีลของธรรมนี้มีการทวนลมใครอยู่ทางทิศใดแดนใดก็มีความก็ะยิบ ม, มีความร่วมสยมีความดีอยากคุค่าสมาคม เพระาะทราบทิฏิศัพทิฏฐิของผู้นั้นว่าเป็นคนดีศาสนาเป็นเครื่องประดับอย่างนี้ทางภายนอกคนก็ชื่นชมยินดีด้วยทางภายในตัวเองก็มีความสุขความมั่นใจภายในใจิตใจศาสนาจึงเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะมาบํารุงหรืรักษาคนให้มีคุณค่าขึ้นมาเพียงแต่เป็นมนุษย์ร่างของมนุษย์เท่านั้นคุณค่าก็ ยังไม่มีเท่าไหร่เพราะสัตว์เขาก็มีอวัยวะเต็มภูมิของเขาจึงเป็นสัตว์ขึ้นมาได้มนุษย์เราก็เป็นมีอวัยวะเต็มภูมิอย่งความเป็นมนุษย์จึงเป็นมนุษย์มาได้เมื่อสรุปความลงแล้วสัตว์กับมนุษย์ก็มีอวัยวะที่สมบูรณ์ด้วยกันจึงเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้คุณค่าก็ม่เห็นแตกต่างอะไรกับสัตว์ถ้ามนุษย์ไม่ประพฤติตัวให้มีคุณค่า ดีไม่ดียังสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้อเพราะเหตุไรเพราะสัตว์นั้นคนไม่ค่อยจ้องมองอะไรมากนะแต่คนเหล่านี้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดเหนือสัตว์คนจึงจ้องมองกันถ้าดีก็ดีถ้าไมา่ดีก็ต่ำกว่สาสัตว์นี่ภูมมนุษย์เป็นภูมิที่สูงสง่งเป็นภูมิที่ควรจะอัต จ, จะทํา เป็นภูมิที่ควรแก่คุณงามความดียิ่งกว่าสัตว์ขึ้นไปมากมายฉะนั้นเราได้มาพบปะพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่เรียกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธก็คือเป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าความเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้คํานึงถึงเหตุถึงผลอัตธรรมความผิดถูกดีชั่วที่จะพึงแสดงออก หรืที่ตนจะกระ พ, งพึงกระทำว่าอันใดควรอันใดไม่ควรย่อมีการไข้ควรอยู่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยทําหน้าที่การงานอะไรก็ได้ผลโดยสมบูรณ์ทพอาหลักขระพุทธศาสนาเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานการคลองขีพและความประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจได้โดยลำดับจนถึงขั้นสมบูรณ์ไม่มีแง่แห่งธรรมในแง่ใดที่จะ เป็นการกดทวงหรือกีดกั้นความเจริญของประเทศชาติมั่นนอกจากเป็นการส่งเสริมและรักษาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้าศาสนาธรรมคำตังสอนของพระพุเทธเจ้าจึงไม่ขัดกับการกับสมัยขัดกับหมู่ชนในกลุ่มใดทั้งหมดเพราะเป็นแนวทางที่บอกทางความสุขความเจริญ ให้แก่มนุษย์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นการกดทวงความจเจริญของโลกด้วยอาวาทข้อใดผู้ที่เข้าใจว่ า, าศาสนาเป็นการกดทวงความจเจริญของโลกนั้นผู้นั้นคือผู้กดทวงความจเจริญของโลกนั่นเองเพราะไม่ทราบความจริงอันแท้จริงของาศาสนาซึ่งออกมาจากท่านผู้ทำโลกให้จเจริญ ด้วยเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยังโลกให้เสือ่อมพระพุทธเจ้าไม่ได้กดทวงความเจริญของโลกแม้แต่แง่ใดเลยตั้งแต่สัตว์พระองค์ยังทรงพระเมตตาเต็มพระไทยยิ่งมนุษย์ด้วยแล้วได้ประทานพระโอวาทไว้ด้วยเพื่อมนุษย์ใหได้รับไปประพฤติปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นเป็นที่พึงพอใจ ถึงขั้นพ้นทุกโดยสิ้นเชิงก็มีเช่นพระรหันธ์ท่านเป็นต้นถัดจากนั้นลงมาก็ได้นับผลตามกําลังความสามารถแห่งการปรุพฤ้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นผู้ทำลายโลกเป็นผู้กดทวงโลกเป็นผู้กีดกันโลกใน ทุกแง่ทุกมุมนอกจากจะเป็นผู้ส่งเสริมโลกในทางที่ถูกต้องดีงามให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาก็ดีทรงสั่งสอนฉั์โลกมาโดยลำดับนับแต่พระองค์มาก็ดีทำจึงเป็นธรรมชาติที่ควรเชื่อถือได้เป็นที่ฝังจิตฟังใจฝากเป็นฝากตาได้ตลอดมา ตั้งแต่การไม่ไหนเพราะทําไม่เคยมีพิกมีภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากผู้มีธรรมได้ประพฤติปฏิบัติภายในตัวเองและนำความประพฤติปฏิบัตินี้ไปสั่งสอนคนอื่นผู้ที่มีความสนใจค่สนใจแค่เหตุแค่ผลขาดค่าทําแล้วผู้นั้นๆก็จะได้รับความสุขความจเจริญไปตามมีจํานวนไม่น้อย ดังที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่สัตว์โลกทั้งหลายเป็นทั้งสามโลกธาตุเราเคยได้ยินไหมว่าใครที่สามารถเป็นครูทั้งมนุษย์ได้และเป็นครูทั้งเทวดาอินทุมได้ไม่ปรากฏนอกจากพระพุทธเจ้าและสิทธาคตคือพระหันท่านในบางองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สามารถเมื่อเป็นเช่นนั้นาศนาสนธรรมจะเป็นเครื่องเครื่องทําลายโลกได้อย่างไร จะเป็นพิษเป็นภัยต่อโลกได้อย่างไรเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนโลกและโลกทั้งสามยังมีความชนใจต่ออัตตธรรมคารุ่กราวว่าพระพุทธเจ้าโดยลำดับมาตามหลักธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่าศรัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราเคยสวดทุกวันนี้ใช่หรือว่าอิติเดโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรือเองโดยชอบวิชาเจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะความประพฤติเนี่ยวิชาก็วิชาสามวิชาหกอะไรเต็มอยู่ในพระไตรของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยจรณะคือทำเครื่องประพฤติพระอาการของพระองค์ทุกอย่างทุกพระอาการที่แสดงออกจะประกาศความเป็นศาสตาของพระองค์ให้โลกได้เห็นอย่าง ชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่มีความบกพร่องคือใครจะยึดไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นและเป็นที่น่าเคารพน่ารื่นมใวในในพระอาการที่ทรงแสดงออกแต่ละอาการอากากรจึงสมนามว่าเป็นศาสนาเป็นศาสนาของโลกทุกพระอาการที่เคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังแนะนำสั่งสอนโลกเป็นพระทัยอย่างเต็มพระทัยความสามารถของโพลีด้วยนั้นโลกทั้งหลาได้มีความเคารพเขา เรื่องสายพระพุทธเจ้ามากมายกายกองแม้แต่เทวดาเรายังไม่เคยได้พบได้เห็นองค์ของเทวดาเลยว่าเป็นองค์อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถทร า, าบเรื่องเทวดาประจักษ์ในพยานของพระองค์เองถึงกับเป็นครูของเทวดาทั้งหลายได้อินฟลอมทั้งหลายมีแต่พระองค์เป็นครูดังนั้นท่านเหล่านั้นไม่เคยเป็นครูเป็นาจายงพระพุทธเจ้าเลยแล้วในโลกนี้มีใครสามารถเป็นครูได้ทั้งสามโลกธาตุ เมื่อเป็นเช่นนี้ศาสนาที่เป็นเครูที่เป็นคําส อ, อนของพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมแก่โลกทั้งสามนี้จะเป็นพิษเป็นภัยแก่สารโลกได้ในแง่ใด น, นอกจากเป็นคุณค่าอันมหาศาลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าในโลกนี้กับศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศไว้นี่แหละคือมหาสมบัยได้แก่ศาสนาธรรมท่านผู้ใดนํำประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศาสนธรรมที่สอนวันนี้จะกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภายในาจิตใจของตนโดยลำหนับนับตั้งแต่เป็นคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติในตัวของเราแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นมหาสมบัตาาิภายในจิตใจคือสําเร็จมากสําเร็จผลจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นไปโดยลำหนับกลายเป็นมหาสมบัติขึ้นภาย ใ, ในจิตใจนี้เพราะอํานาจแห่งศาสนธรรมความปพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่ประทานไว้ให้เป็นมรดกแก่โลกนี้เท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญกว่าสิ่งใดหมดในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องยืดเป็นเครื่องเหนียวเป็นเครื่องระลึกจึงจัดว่าเป็นผู้มีสาระคุณอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจที่ว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งถ้าเป็นคนก็เหมือนคนมีพ่อมีแม่มีขือมีแปรถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มีเจ้าของพาไม่มีศาสนานั้น หาที่ยึดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยึดสิ่งนั้นมาเป็นเรายึดสิ่งนี้มาเป็นของเราเมื่อสิ่งนั้นสลายไปความเสียใจก็จะปรากฏขึ้นมามากน้อยตามความรักความสงวนในสิ่งนั้นๆแต่าศาสนาธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเาราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อยู่ที่ดวงใจเราจะเคลื่อนไหวไปมาในฐานที่ใดมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องประจําใจชื่อว่าเรามีหลักยึดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมประสงค์ อยู่ภายในจิตใจเป็นอันว่าใจของเรามีหลักอยู่ตลอดกาลนี่คือผู้ผู้มีหลักคือมีหลักทมอยู่ภายในใจร่างกายจะสลายไปก็สลายไปแต่คุณธรรมที่มีประจําใจเพราะความมลุกยึดมั่นอยู่เสมอนี้จะไม่ปราศจากจิตใจนี้เลยสาระคุณอันนี้แหละที่ยังสัตว์โลกให้ เ, เกิดในสถานที่ดีคติที่งามไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่ โลกทั้งหลายนิยมกันว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษจะพาให้บุคคลไปเกิดในสถานที่ดีสติที่งามเหมาะสมที่สุดยิ่งกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี้ไม่มีฉะนั้นจึงควรกล่าวได้ว่าศาสนธรรมนี้เป็นคุณธรรมอันเลิศโลกไม่มีโลกใดสมบัติใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้พุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดี เป็นสิ่งที่ประกาศท้าทายว่านิเศษก่อนโลกทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่การไหนไหนพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติในโลกนี้เป็นจำนวนนับไม่ถ้วนล้วนได้ตั้งแต่เป็นผู้ประเสริฐเสมอกันหมดพระธรรมที่บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ก็เป็นพระธรรมที่ประเสริฐเลิ่โลกเช่นเดียวกันพระสงสาวกที่ได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั้น ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์ปุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกลายเป็นพระสงฆ์อนุเสสด้วยกันเพราะฉะนั้นคําว่าพุทธัทงธรรมังสังทางสนากระฉามนนี้จึงเป็นคู่ควรอย่างยิ่งสําหรับใจของเราไม่เด็นํตาต้อยน้อยหน้าว่าตนได้ยึดถือสาร ะ, ะอันไม่ดีมาเป็นเครื่องพึ่งพิงคือเป็นสิ่งที่จอมปลอมอย่างนี้ไม่มีรรในจิตใจเพราะธรรมชาตินั้นเป็นของแท้ของจริง ถ้าจะพูดเปอร์เซ็นเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ร้อยทั้งร้อยไม่มีบินเป็นไปด้วยควาสมัตทั้งร้อยเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนั่นแหละแล้วอันใดที่จะเต็มน้อยเปอร์เซ็นเหมือนอย่างคุณธรรมนี้ในโลกนี้เราหาไปเจอที่ไหนมั่งไม่มีไปเจอเข้าด้วยความดีใจสักคู่หนึ่งก็ไปเจอเอาความเสียใจในขณะต่อมานั้นเป็นลําดับําดับไปเจอความรักเข้าก็ไปเจอความเกลียดความชังขึ้นมาไปเจอ ความชอบไปเจออะไรเข้ามาดีใจกับเสียใจก็ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นเป็นของไม่แน่นอนในขณะนี้ก็ทําให้ดีใจต่อไปในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงไปทาให้เกิดความเสียใจจึงหาหลักหาเกณฑ์หาที่ไวเนื้อไวใจไม่ได้ไม่เหมือนคุณธรรมคือาศาสนธรรมที่ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามแล้วจนกลายเป็นคุณสมบัติขึ้นภาร จ, จิตใจแล้วเป็นสมบัติภายในอันนี้เป็นหลักตายตัว หลักธรรมคือความจริงนี้เคยมีมาดั้งเดิมไม่ใช่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เท่านั้นและโลกนี้มีมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้ารงมีมานานขนาดนั้นคอยผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันผ่านไปแล้วแล้วพระยามิตรใจก็จะมาจัดสรุปอีกแล้วก็่ายทอดแห่งธรรมคือความจริงนั้นมาโดยลาดับดบ ไปโดยลำหนับลำหนับไม่มีที่สิ้สุดในการต่อไปก็ยังมีจะมีะมพระพุทธเจ้าสิบพระองค์ที่เรียกว่าอะไรอนณาคาตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์นั่นก็จะสืบ ต, ต่อกันไปเรื่อยๆและยังจะมีต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้นี่คือความจริงค่อยเปลี่ยงกันไปเรื่อยๆเช่นนี้องค์ใดที่มาตรัสรูุ้ปจัดสรุปแต่ธรรมของจริงธรรมของจริงนี้ลบไม่สูญ ใครจะลบล้างชนิดใดวิธีใดก็าตามจะสักแต่คาพูดหรือสักแต่การลบล้างเท่านั้นแต่ความจริงจะคงมีอยู่ตามเดิมอาการที่แสดงออกแห่งธรรมก็บอกไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อการกระทําดีและกระทําชั่วของโลกยังมีอยู่ตราบใดความสุขความทุกข์ที่เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการกระทําดีชั่วนั้นจะต้องมีอยู่ตราบนั้นลบไม่ศูนย์นี่แล้วใครจะลบให้ศูนย์ได้ เมื่อความจริงได้ประกาศสอนแล้วอย่างนี้โดยถูกต้องท่านจึงเรียกว่าส่วนขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ดังที่ยกมาเพียงอีกประเทศนี้เป็นต้นสิ่งทั้งหลายที่ทําแสดงออกให้โลกทั้งหลายได้เห็นได้ยินกันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ทั้งนั้นจึงสมนามที่ว่าส่าวนขาโตพระพระวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอันใดที่จะต้องดัดแตงแก้ไข ให้เป็นไปตามสมัยนั้นๆเหมือนโลกทั้งหลายโลกเรานี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจงมีความแปรปรวนประจําตนโลกนี้ตั้งอยู่ในอยู่ใต้กฎของอนิจจงจึงหาความเที่ยงความแน่นอนความไว้วางใจไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาโลกเป็นอยู่อย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเก็ ด, ม, ก ม, กดมีตายมีสลายมีพักภาคจากสิ่งนั่นจากสิ่งนี้อยู่เรื่อยไปและเรื่อยมาแล้วก็เรื่อยเรื่อยไปอยู่เช่นนี้ ไม่เป็นของแน่นอนสิ่งที่แน่นอนก็คือสุขคือทุกที่เรียกว่าบุญและบาปอันเกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์โลกนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนหาว่าการกระทำนี้ยังมีอยู่ตราบใดผลจะต้องเป็นไปอยู่นั่นเสมอใครจะว่าสุขมีก็าตามทุกมีก็าตามไม่มีก็าตามนรกมีก็าตามนรกไม่มีก็ตามสวรรค์นี้พ่านมีหรือไม่มีก็าตามธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาตินั้นอยู่โดยดี ไม่มีใครสามารถจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้ศูนย์ไปจากโลกได้เมื่อโลกยังเป็นโลกอยู่ความจริงก็ยังเป็นความจริงอยู่ตลอดไปเช่นนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตามหลักความจริงไม่ได้หาสิ่งมาอะไรมาหลอกลวงโลกจึงเป็นธรรมที่แน่นอนตายตัวแก่ผู้ประพฤติธปฏิบัติกล้าตลอดมาเราชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาในประพฤติธปฏิบัติตนตามหลักธรรมของท่าน วัดนับว่าเรามีบุญวาสนามีบุญญาพิสมผ่านคนที่มีจํานวนมากไม่เคยได้สัมผสัสอับธรรมจากศาสนธรรมนี้จะมีจํานวนักเท่าไหร่นับไม่ได้เลยแต่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจํานวนของผู้ที่ได้นับโอวาทหรือได้นับถือพระพุทธศาสนาได้พระพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะว่าเรามีอํานาจวาสนาน้อยได้อย่างไร ต้องมีวาสนาสมควรที่จะได้รับอัดรับทำถึงได้รับในนับถือพุทธศาสนาได้ถึงได้นับถือคนที่เขามานถือมีมากมายกาดกองเห็นของจริงเป็นของกลอมเห็นของปลอมเป็นของจริงนี้มีมากที่จะเห็นความความจริงเป็นของจริงเห็นของกลอมเป็นของปลอมนี้มีจํานวนน้อยเพราะสายตามนุษย์ออกจากใจใจถ้ามืดมนอุป ก, การเสียจริงๆแล้ว ถึงกลางวันจะส ว, จะว่างสวัยมีพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงกว็าตามความมืดมนองตะการอยู่ภายในจิตนั้นจะหาความสว่างไม่ได้เลยความมืดมนนี้แหละเป็นเหตุที่จะปิดบังความดีความชั่วความสุขความทุกข์กนโกสวรรค์ทั้งหลายปฏิเศเจไปโดยประการทั้งปวงว่าไม่มีเพราะความตาบอดภายในจิตใจนั่นเองไม่ใช่ไม่มีเพราะคนดูแล้วไม่เห็นไม่มีส่วนพระพุทธเจ้าอันใดที่ว่ามีพระองค์ก็บอกว่ามีด้วยทรงรู้ทรงเห็นด้วยพยานของพระองค์โดยแท้ สิ่งใดที่ไม่มีก็บอกว่ า, วามันมีเช่นความเที่ยงของโลกนี่ไม่มีอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆคือความเที่ยงความแน่นหนะาทวารตลอดไปนี้ไม่มีสําหรับโลกอ น, นิจจังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วเราก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใต้กฎของในจังนี้มันไม่แปรสภาพมันทนต่อสู้ความอ น, นิจจังจนชนะไปไน้เราเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นต้องเป็นอนิจจังวันยั่งข้ามคืนยั่งลุ่ง แปล ว, ว่าอะไรที่เป็นด้านวัตถุจะแปลสภาพไปโดยลําดับเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นความแปลแปรอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่เราดูด้วยตาก็เห็นสิ่งที่ว่านี้ก็คือว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่จะมาต่อสู้ความอนิจจังนี้ไม่ให้แปลปูตวนไปได้อย่างนี้ไม่มีนะ่นต้องเป็นอนิจจัง อย่างตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกโดยเป็นความสมมุติคือสิ่งที่เป็นสมมุติแล้วต้องเป็นไปตามสมมุติอยู่ตลอดไปคืออ น, นิจจังทุกขังอันตานี่เป็นกฎตายตัวของโลกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้ใครจะคัดค้านต้านทานเพียงไรก็ตามผูค้ ค, ค, คัดค้านต้านทานก็คือตัวอนิจจังทุกขังอันตานอยู่โดยดีจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดเป็นความจริงทางนั้นที่สอนเข้ามาภายในจิตใจ นี่ยิ่งเป็นของละเอียดลึกซึ้งมากสอนภานจิตใจจิตใจเป็นยังไงเราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าจิตเป็นยังไงทั้งๆที่รู้อยู่ด้วยกันทุกคนเว้นแต่คนตายเท่านั้นจะไม่จะไม่มีความรู้ภายในร่างกายคนเป็นแล้วต้องรู้แต่เราไม่ทราบว่ารู้ความรู้อันี้จะพาไปทางดีทางชั่วคิดวันยังค่าคืนยังลุง่มมันคิดในแง่ไดบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดคิดในแง่ใดที่เป็น ที่จะนําสาเหตุให้เกิดความเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความคิดนั่นเป็นความผิดเนี่การพูดอันใดเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนไร้สาระที่จะเพิ่เถือประโยชน์ได้คําพูดเช่นนั้นเรียกว่ามิจฉาวาจาไม่ควรจะพูดนะให้ระมัดระวังเนี่ยการพูดพระองค์ก็สอนให้ระมัดระวังการคิดก็สอนให้ระมัดระวังการกระทําอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความกระทบกระเทือนตนหรือผู้อื่นที่ท่านบอกว่าเป็นความผิดก็ทรงสอนให้รู้ ให้เราไปพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มีพระกายมีพระวจจาและมีพระทยัยคือใจเช่นเดียวกับเราเราก็มีเช่นเดียวกับท่านทำไมจึงต้องให้ท่านมาสอนก็เพราะความโง่ความฉลาดมันผิดกันดังที่ว่าคนมืดบอดภายในจิตใจกับคนมีความสว่างสวัยภายในจิตใจนั้นมันต่างกันเช่นเดียวคนตาบอดด้วยตาเนื้อกับคนตาดีเดินไปด้วยกันมันก็ผิดกันคนตาดีเดินไปถูกช่องถูกทางคนตาบอดโดนทนนั่นทนนี้ล้มลุกคุกคลานไปเพราะตาไม่เห็น ก้าวไปก็โดนนั้นโดนนี้มีจิตใจที่เป็นไปด้วยความมืดบอดคิดอะไรก็โดนนั่นโดนนี้ไปเรื่อยๆส่วนมากโดนแต่บาปโดนแต่อกุศลโดนแต่ความทุกข์ความทรมานจิตใจตนเองคิดมากน้อยเพียงไรเป็นไฟเผาตัวเองไปทั้งนั้นเพราะไม่ฉลาดในความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รู้วิธีคิดและรู้จักวิธีปฏิบัติรักษาความคิดของตนเลือกเฟ้นความคิดอันใดที่ผิดที่ถูกให้พิจารณาเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วปฏิบัติตามในแง่ที่ถูกเนี่ย นี่แหละคนรู้คนฉลาดกับคนมืดบอดคนโง่นั้นผิดกันถึงจะมีใจเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในเชิงแห่งความฉลาดและความโง่มันผิดกันเช่นนี้เมื่อเป็นเชนั้นการระบายออกที่ออกมาจากใจก็จะมาเป็นทางวาจาเป็นทางการกระทําก็ตามมันก็ต้องผิดกันอยู่โดยดีเพราะจิตซึ่งเป็นผู้บงการเป็นความผิดกันอยู่แล้วนี่ท่านสอนทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะวิธีทดสอบวิธีสังเกตความวิธีแห่งความคิดของตนท่าในพิสูจนทงังทางด้านกิตตภรวนาเป็นหลักใหญ่ท่า น, นการภาวนาจิตเป็นเรื่องที่จะทดสอบจิตเรียนให้รู้เรื่องของจิตความคิดความตรุงของจิตโดยตรงในขณะหนึ่งหนึ่งจิตจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้คิดจิตอยู่ได้ด้วยการคิดการปรุงทั้งนั้นไม่ได้อยู่ได้ด้วยความนิ่งความสงบ ถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องบังคับหรือเป็นมีทำเป็นเครื่องอบรมให้จิตมีความสงบได้จิตจะหาความสงบไม่ได้มุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนมากก็มุนไปทางที่จะปลุกมารรัดตึงตัวเองให้เกิดความเดืดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนก่อไฟมนะันรู้จักก่อแต่จะดับไฟไม่รู้จักวิธีดับนั่นก็ลุกขึ้นด้วยท่านสอนให้ภาวนาก็คือให้รู้วิถีของจิตเช่นการกาหนดอนาปานะติกําหนดลมหายใจเข้าออก หรืกำหนดพุทธโธเป็นต้นให้มีความรู้อยู่กับพุทธโธหรือให้มีความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสจะสัมผัสที่ตรงไหนมากน้อยให้จับจุดที่ลมสัมผัสมากนั้นไว้เป็นอารมณ์ของใจสัมผัสออกสัมผัสเข้าคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่นั้นโดยเฉพาะเฉพาะพด้วยความมีสติจิตเมื่อมีความตั้งสติมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาอยู่ความรู้นั้นจะค่อยสืบต่อกันโดยลําดับลำดับแล้วจะปรากฏเป็นความสงบลงไปเมื่อจิต ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาความผู้ซ่านผู้วายที่เคยเป็นภายในจิตก็รงับดับลงไปกลายเป็นความสงบแล้วผลคือความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายใจิตนี่แหละคือผลแห่งการทดสอบจิตการรัาากษาจิตคือความสุขจะปรากฏขึ้นมามากน้อยก็ทราบภายในจิตใจด้วยอํานาจแห่งกําลังความสามารถพึงตนที่ทําหากมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากและมีความชำนิชํานาญในการ รักษาจิตจิตก็ยิ่งทรงตัวได้นานด้วยความสงบสุขจิตทีม่มีความสุขก็พักตัวเองควรตัวเองด้วยการคิดการปรุงในแย่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้จิตจะหความสงบได้อย่างไรเมื่อถูกกวนอยู่เสมอเช่นน้ําก็ต้องขุนเป็นต้มเป็นโคลนไปได้เพราะถูกกวนจิตก็ต้องขุนโม่ จิตที่คุลมัวหาความสุขที่ไหนได้ไม่มีโลกทั้งโลกมันโลกทั้งโลกมันร้อนไปหมดถ้าจิตได้ร้อนเสียดงเดียวเท่านั้นพอจิตมีความรู้สึกทั่วโลกกระท้านคิดไปไหนได้หมดไม่นิยมว่าใกลว่าไก ล, วไกลเวลาเวลานั้นเวลานี้ไม่มีคิดขณะเดียวเท่านั้นครอบโลกกาะท้่ะนี่แหละคือความปรงุงเพื่อรบกวนหรือลบหรือกวนตัวเองจึงต้องอาศัยการอบรมสะมัดระวังจิตให้มีความสงบ ด้วยบทธรรมให้อยู่ในธรรมบทเดียวก่อนนล้วระลึกรู้อยู่นั่นโดยตลอดในขณะที่ทําภาวนาใจจะค่อยสงบลงไปเมื่อใจสงบความเย็นจะปรากฏขึ้นความผ่องใสจะปรากฏขึ้นที่จิตจุดแห่งความรู้จะเด่นขึ้นที่จิตเพราะกระแสแห่งความรู้รวมตัวเข้ามาด้วยอํานาจแห่งการภาวนาตะล่ําเข้ามาจนสู่จุดแ ห, แห่งความรู้อย่างชาัดเจนนั่นสงบท่านเรียกว่าจิตสงบ มา่กิจสงบแล้วก็เย็นเมื่อปรากฏผลคือความเย็นแล้วอาศัทธาความเชื่อมรรยะคือความภาคเพียรขันติความอดความทนความุตสาภยา่างหากเป็นมาเองเพราะเห็นผลแล้วก็มีแต่ใจิตแต่ใจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างน้อยให้ทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจิตใจเมื่อรับการบํารุงรับการรักษา การชำระสสารอยู่เสมอย่อมมีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความสว่างด้วยความสงบเย็นใจเป็นความสุขความสบายขึ้นภายในใจโดยลําดับนี่นี่เป็นผลแห่งการอบรมแห่งการรักษาจิตเมื่อได้ทําอยู่โดยสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราได้บํารุงจิตทั้งเราเรื่อยๆ จิตก็ค่อยปลอดภัยจากความคิดความปรุงอันไม่ดีทั้งหลายจิตที่ได้ถูกการรักษาจิตที่มีผู้รักษาย่อมไม่ค่อยเกิดอันตรายเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักษาไว้เสมอจนผู้ร้ายก็ไม่ค่อยจะมาทำลายได้นี่จิตใจของเราก็ปราศจากจนผู้ร้ายคือความคิดความปรุงต่างๆที่มาในแง่ต่างๆจากทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยงทางกายและความปรุงทางใจเะเอง ไม่สามารถที่จะเข้ามาทมาําลายจิตใจได้เมื่อสติเป็นผู้ระมัดระวังรักษาอยู่สติคือเจ้าของของจิตปัญญาเป็นผู้ไข้ครวนถึงการที่จะไข้ครวนพิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งตามตตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในท่าในขันซึ่งเป็นกองแห่จังทุกขังาตาปล่อยวางลงได้ตามเป็นจริงของมันจิตใจก็เป็นเอกกิจเอกธรรมสลัดปัดทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เป็นกองแห่งอิจังทุกขังาตานี้ได้โดยสิ้นเชิง เหตนั่นก็เป็นมีมุตตุดูพ้นลงไปได้นี่แหลคือทําประเสริฐประเสริฐที่ใจที่ดูดพ้นจากสิ่งที่กด่วทั้งหลายกลายมาเป็นธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพึ่งพิมอะไรทั้งหมดนี่แหลพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้ท่านประพฤติปฏิบัติทําทําปรากฏเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้สาวกอรหันละหันท่านก็ปพิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้าและเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้ชาวพูดเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้าก็ได้รับความสงบสุขเย็นใจมีเหตุมีผลในการประพฤติการกระทําการพูดการจาการิดุงแตต่่ๆ แล้วก็พอประคองตัวงเราได้โดยสม่ำเสมอและเป็นความปลุกความจเจริญเรื่อยไปหาเรามีความสามารถแก่กลรได้พิพจารณาทางสมาธิแลปัจจนาก็สามารถที่แทงทะลุ ป, ปูปลงจากที่เด็ดไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและมหาสมบัติก็จะไม่หาที่ไหนสมบัติอันล้นค่าจะปรากฏขึ้นภายในจิตท่องเราผู้ชำระเรียบร้อยแล้วนี้โดยไม่ต้องสงสยัยจึงขอให้ท่านทั้งหลายนำมาพินิจพิจารณาได้รักษาใจของตนให้ดี โดยลำหนักใจนิ่แดเป็นมหาสมบัติไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจที่รักษาเรียบร้อยแล้วจึงข อ, อยุติธรรมเพียงเท่านี้